จิตของตนี่คให้ธรรมะรัวไหลเข้าไปสู่ใจมาอย่างนั้นการฟังก็เหมือนเป็นผลเป็นประโยช์คือการฟังการอุรมธรรมะกบกาจิตของตนทั้หูฟังทั้งจิตหน่ง้นจิตของตนให้รับความเบาสบายทั้งฟังปฏิบัติ สฟังเล่นวัตธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้มาสอนโลกท่านหนึ่งทำเล่นท่นทุนคว้าเลยจิตใจจริงจังธรรมะที่ได้มาก็เป็นธรรมะที่ดีเกิดจากการที่นี่ที่เจริาเกิดจากความภาคความเพียนกเราฟังก่อนมีความภาคความเพียน ในความต่างจิตั่งใจอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่สนใจในธรรมะที่ใด้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ใช้เจ้าทั้งกล่าวว่าเป็นโชคลาภของพวกเรามีทาติจิตรับรองไว้ว่ากิจโชมนุษย์สระกตีลาโค การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ไพศาลโชคลาภอย่างไรเราไม่ไข่คิดพิจารณาผม่ทยตาว่าเป็นโชคลาภเพราะมนุษย์เราเกิดยากลำบากเงมีน้อยคิดดูสัตว์อื่นพวกมดพวกปลวกมีจำนวนมากไอ้จอมปลวกหนึ่ง คนในประเทตหนึ่งหนึ่งจสูวกในจมบวกหนึ่งหนึ่งในดมมากมายขนาดนั้นนอกจากนั้นการเกิดเป็นสัตว์มเกิดง่ายปีหนึ่งหนึ่งอย่างลาหรือกเียดาจเกิดได้เป็นพันพันตัวในท้องหนึ่งหนึ่งแต่มนุษย์เราอย่างนั้นเกิดยากปีหนึ่งหนึ่งอย่างมากกว่าเพียงคน หรือสองคนก็หายากยิ่งในชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของเกิดยากต้องมีธรรมของมนุษย์ประจำเพื่จะเกิดได้ธรรมของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้ายรดศาสตร์รทั้งหลายเนีสอนเอาไว้ก็ได้แจกขก่สวนกับมบทได้แจ่กายยะกรรมกรรมสามมกีกรรมสี่มโนกรรมสั คนที่มีธรรมของมนุษย์คือกายกรรมสามกายสุจริตในขาสัตวักษาต่อพือิในกลามและจีสุจริต4ีก็พวกเราท่านก็เคยได้เรียนมาแมนุษย์สุจริตสามก็เคยได้อ่านได้ดูคงจะรู้กันนี่เป็นมนุษย์แต่ธรรมคือธรรมที่จะยังสัตว์นั้นนั้นให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ แต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วลืมทำของมนุษย์พิษไปต่างๆเป็นมนุษย์ใหม่สมบูรณ์มนุษย์ท่านจึงจัดไว้หลายท่านหลายภูมไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวยังแยกแยะออกไปหลายอย่างเป็นมนุษย์โสก็หมายถึงมนุษย์ที่มีทำของมนุษย์มนุษย์ะเทโลก็หมายถึง ทีนี้ทําสูงสุนไปมีใจอายบากกลัวบากรหนเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่วิเศษส่วนมนุษย์สเตโตหมายถึงมนุษย์ที่หิวโหยในสัญญารมต่างๆตา ก, ก็ดูไม่รู้จําอื่นจกพอหิวกว่าฟังไม่รู้จําอื่นจกพอจะมืกลิน้นกายใจ หิวหว้ยในสัญญาอารมณ์อยู่ทุกาการทุกเวลาเงือนเตะหิวห้อยอาหารจิตไม่เคยได้รับความสุขความเบิกบานความสงบ ม, มนุษย์เตโตเป็นอย่างนั้นมนุษย์ส์จิระฉาโนก็ไปอีกแบบไม่รู้คิดนึกติดตามเรื่องธรรมะอะไรเกิดมากกวอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดอ่าน ที่จะสร้างผลงามความดีใส่ตัวข้องตัวมีแต่อยู่แต่กินแต่หลับแต่นอนตามธรรมชาติของสัตว์ทานศีลภาวานาเป็นอย่างไรมนุษย์แบบนั้นไม่ควรใส่ชิดที่ตั้งแต่หากินหาเล่นหาหลับหานอนเท่านั้นมนุษย์ชนิดนั้นทางทำทันจัดว่าเป็นมนุษย์สัจจิรชสาโน มนุษย์สองจำพวกหมายถึงมนุษย์สเตโตมนุษย์สัวจิราชาโนพวกเหล่านี้เป็นอาภัพภาสัตเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรที่จะได้รับความดีสวีคูณขึ้นนี่แต่จะมีความชั่วความเสียเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจของเขาเป็นเปรตเป็นสัตว์ส่วนมนุษย์สัสวมนุษย์เทโอ เป็นมนุษย์ผี่ส้มควรเป็นพระผาสัเป็นสัตว์ผีส้มควรจะตัดสรุมรักผลได้มนุษย์ท่นแบ่งออกเป็นสี่จำพวกอย่างนี้ม น, นมนุษย์สองจำพวกเบื้องต้นมนุษย์โสมนุษย์เทโยวเป็นมนุษย์ทีดีที่เด่นเกิดมาแล้วก่อสร้างคุณงามความดีใส่ตัวค้องตัวทวีคูณขึ้น อย่างน้อยก็สร้างบุญสร้างกุศลถึงจิตใจจะหมุนเวียนมีพบชาติต่อไปด้วยอำนาจความดีที่สร้างสมเอาไว้ก็จะได้ไปสู่สุคติตามอำนาจผลของกรรมที่สร้างทำเอาไว้มนุษย์ท่านจึงถือว่าเป็นของสำคัญเป็นโชคลาภของผู้มาเกิด ถ้าดัดแปลงจิตใจของตนใน้เป็นมนุษย์ดีแล้วสามารถที่จะดีเด่นเห็นจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าเองก็เป็นมนุษย์ในใจเป็นเตี๋ยพบูตรเตี๋ยพติดามาจากที่ไหนมนุษย์จึงเป็นของกลางที่สามารถที่จะทําชั่วทําดีได้เหมือนที่ดินธรรมดาที่ดิน เป็นของกลางใครจะสร้งสสง า, สงางสวนสร้างนาสร้างบ้านสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลได้ทั้งนั้นแล้วแต่อยากจะสร้างอะไรที่นั่นก็เลยกายเป็นอันนั้นไปทำนาทขากลีบขี้นาเสี้ยทําสวนเขากลีบขี่สวนเสี้ยทําโรงเรียนเขากลีกโรงเรียนทําโรงพยาบาลเขากลีกโรงพยาบาลใส่สร้างบ้านใส่เขก็ว่าขบ้านเสี้ยก็ที่ดินนั้นแหละ มนุษย์เราก็เหมือนกันสามารถที่จะแปลผันไปได้ตามอัดตามทำถ้าเรามุ่ง ม, มั่นที่จะให้ตัวของเราดีสั้งจิตตร้างใจให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเขาก็เรียกว่าเป็นนักปร่าถ้าเราไม่เลยสร้างความดีอะไรหาแต่ความชั่วมาใส่กายใส่ใจเขาก็เรียก คนพานมนุษย์เป็นอย่างนี้เรียกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นปิติดีที่เด่นเป็นโชคลาภที่ทุกคนควรสนใจควรตระหนควรรักษาคุ ณ, ณธรรมของมนุษย์อย่าไปมองข้าวว่ามนุษย์เป็นของไม่ดีไม่มีคุณค่าเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อริยาสาวกทั้งสองและ สาวกทั่วไปที่เป็นพระอรหันตอรหัน์ที่พวกเราท่านคือเป็นสราณะในจิตในใจก็ล้วนเป็นมนุษย์ท้งนั้นในใจเป็นอันอื่นพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ไพศาลควรคิดอ่านจะปรับปรุงกายใจของตัวให้ดีวิเศษขึ้นทางที่จะปรับปรุงจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านในแนสอนไว้ หลายในหลายประการแล้วแต่จริตนิสัยของใครชอบธรรมะบทใดยอย่างไรจะมาปรับปรุงกายใจทองตนให้ดีเด่นเป็นอดเป็นธรรมขึ้นถ้าหากมองข้ามใน่ดีที่นี้พิจารณาเรื่องอายุหรือวันเวลาก็แก่ไปหมดไปเดยไม่ได้อะไรจากการเกิดทองตน การเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นของสำคัญที่ท่านว่าจิตโฉมนุษย์สัปจิลาโพเป็นลาของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดมาจิตสังมาจา ม, มาในชีวิตต่างชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นของญาของลําบาอันหนึง่งซึ่งเกิดมาเราท่านควนที่นิพิจเรนาเกิดมารุ่นราวสาวเดียวกัน ที่รมหายตายไปนับไม่ได้ชีวิตของพวกเราที่ยังอยู่ได้ น, นับว่าเป็นโชคละควรที่จะนําชีวิตที่เหลืออยู่นี้สร้างคุณงามความดีให้เท่าทีคูณขึ้นไม่อย่างนั้นจะอาภัพอับจนไม่มีบุญ ม, มีกุศลไม่มีวาสนาใน ม, มีคุณงามความดีอะไรติดตัวมาชีวิต ทุกคนเกิดมาจะต้องประสบพบโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆที่จะเป็นอยู่ได้วันหนึ่งหนึ่งเดือนหนึงน่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งเป็นของยากเพราะโรคไข้ไข้เจ็บในสาวะจะมาแง่ไหนและจะตายเมื่ อ, อไรเพราะความตายในเลือกหน้ากห่าหญิงไหวชายไ้พระไหวเนมไหวอายุแก่อายุอ่อนตายได้ทั้งนั้นการที่มีชีวิตเป็นอยู่ เป็นของที่มีคุณค่าสาราประโยชน์สามารถที่จะทําคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นได้อย่างสะดวกสบายคนตายไร้คุณค่าจะทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นฉะนั้นที่พวกเรามีชีวิตเป็นอยู่จึงเป็นโชคลาศผมกล่ ว, ว่าจิตสังมัจจาในชีวิตต่างชีวิตความเป็นอยู่เป็นของหาได้ยากเป็นโชคลาศของผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ สามาที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ดีเด่นเห็นแก้งขึ้นอิกชังกระทธรรมมัตตวานางังการสะดับรับฟังทมคำสั่งสอนของผู้รูคือนักป่าเป็นของยากของลำบากไม่เกิดของง่ายอีกเหมือนกันเพราะนักปาก่าผู้ฉลาดในอัตในธรรมรู้เห็นเป็นจริงมาแนะนคนอื่นหายยาก ธรรมะของท่านก็เป็นของละเอียดอ่อนในใจของอยากการจะได้สะดับรับฟังเป็นของอยา ก, กเพราะเพราะเหตุว่าพวกเราไม่ค่อยจะมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนหล่นนั้นวันเดลานี้อยู่แต่เราก็ไม่ยินดีพอที่จะไปสะดับรับฟังมีก็เป็นของอยากเพราะไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาในจิตในใจ อยากจะไปสะดับรับฟังธรรมะหนนนั้นแต่เท่าว่าท่านที่เป็นปราศเป็นปู้ฉลาดอบรมบางทีท่านก็ป่วยไข่หรือบางทีท่านก็มีธุระหน้าที่อันอื่นเราไปไม่พบท่านหรือพบท่านก็มีมีโอกาสเวลาที่ท่านจะเน่สอนให้นี่ก็เป็นของอยากอันหนึ่งมีศรัทธาแต่ผูดอบรม แนวสอนขาดขันของท่านหรือจิตธุระของท่านไม่เป็นใท่ารสอนไม่ได้หรือทางที่จิตของเราก็มีศรัทธาท่านผู้นั้นก็มีโอกาสเวลาแนวสอนให้เราได้สดับรับฟังแต่การจะเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปนั้นก็เป็นของยากอีกไม่ใช่ของง่ายกว่าจะเข้าใจในอัตธรรมตามเป็นจริงเป็นของยาก เข้าใจแล้วจะประพฤติปฏิบัติก่อเป็นของยากเพราะขัดข้องเรื่องกิเลสตัณหามานาทิฏฐิต่างๆไม่อยากจะปฏิบัติหรือปฏิบัติไป จ, จะรู้เห็นเป็นจริงอย่างที่ท่านอธิบายหรือในสระดับรับฟังมานั่นก่อเป็นของยากอีกจึงว่าจิตฉังสัตธรรมมัตสวาังเป็นของยากนี่เป็นเรื่องนอก เราจะได้กระดับรับฟังส่วนเรื่องในจิตฉังตัดทำมัดสวานังฟังธรรมเกิดจากจิตจากใจของตนจิตใจของพวกเราทุกคนมีธรรมถ้าหากอวบอมถึงขั้นธรรมจิตใจจะเป็นธรรมตาเห็นหูได้ยินเป็นธรรมทางนั้นเพราะจิตใจของเราท่านเป็นธรรมธรรมจะต้องฟุดขึ้นบอกขึ้น และเน้นสอนตัวเองอยู่ทุกระยะเวลาเห็นด้วยตาก็เกิดทได้ฟังด้วยหูก็เกิดทได้ถูกปิ่นดิ่มลดอะไรถูกเป็นธรรมทางนั้นนี่คือจิตเป็นธรรมการฟังธรรมจากจิตของตนเป็นธรรมเป็นคล้องยากน้อยหนักหนาที่จะมีผู้ได้สดับรับฟัง ถ้ผู้ฟังทำโดยตนเองเป็นไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่อิทธิบทใดก็ไม่ห่างไกลจากธรรมได้สดับรับฟังอยู่ทุกการทุกเวลาจะพิจารณาไปแน่ไหนเห็นอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นมีแต่ทางที่จะแก้ไขมีแต่ทางที่จะละเว้นความชั่วบําเพ็ญความดีทวีคูณสุนจิตใจนะับวันจะผ่องใสสงบเย็นเข้าไป สิ่งที่เคยติดข้องพิจรารณาด้วยตัวเองด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรก็จะแก้มแข้งชัดเจนและละถอนสิ่งที่ติดข้องต่างๆนี่คือการฟัางธรรมจากตัวเองทมจะบ่งบอกว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกโดยไม่มีใครมาตักเตือนแต่ก็ มีธรรมภายในใจตัดเตือนตัวเองการฟังธรรมะภายในคือใจเป็นธรรมะอย่างนี้เป็นของยากยากหนักยากหนาะกว่าที่จะรู้จะเข้าใจจะเป็นไปอย่างนั้นมีเรื่องธรรมะที่ว่าเป็นของยากจิตังธรรมปฏิธรรมสวาณังการฟังธรรมเป็นของยากแต่หาก คนสมัยปัจจุบันที่จะสนใจกันประพฤติปฏิบัติอัดทำให้ได้รู้ได้เห็นได้ฟังโวยตนเองอย่างนั้นมันยาก ท, ทั้งทั้งสี่มีชีวิตเป็นอยู่ทั้งสี่เป็นมนุษย์ทั้งสี่ธรรมะมีอยู่เมื่อไม่สนใจใน ไ, ไม่ไ่คิดใน่จิตตามธรรมะภายในก็ไม่มีวันเวลาที่จะโผล่ขึ้นเห็นขึ้น บ, บ่งบอก จิตถูกอะไรต่างๆก็เลยเฉยไปไม่ได้อะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อะไรจากชีวิตที่มีอยู่ไม่ได้อะไรจากธรรมะสี่พระพุทธเจ้าเนี่ยสองจ mm. ิตโฉภุท ธ, ธานะมุปาโทการเกิดขึ้นแห่งพุท ธ, ธ แ่งผู้รู้เป็นของย่าพระพุทธไส้าเองก่อนที่จะได้สัสรู้เป็นพระพุทธไส้าสนแนะนำํามสอนโลกรือขนสัตว์ออกจากโลกโปรต้องสร้างคุณงามความดีมากมายไม่ใช่เป็นของใน ง, ง่าพระพุทธไส้าจะเกิดขึ้นในโลกแต่ละการแต่ละสมัยเป็นของย่า คิดดูแต่พระองค์ปรินิี้ผ่านไปตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอีกนานหนักหนาขนาดนี้แต่สร้างบารมีก็ยิ่งนานแสนานานที่เป็นปัญญากิกะคือผู้ที่มีปัญญารวดเร็วที่สุดสร้างบารมีตัง ที่อสุขไถกำไรแสนมหากรนับประมาณแสนยา่านานหนักนานหนาถ้าหากเป็นศรัทธาที่กะกวอสองแปดอสุงไขวิิยาที่กะถึสงสิบหกอสุขไถจะสร้างบา ร, รมีคุณความดีอยู่นั้นกว่าบา ร, รมีจะเต็มรู้เห็นเป็นจริงขึ้นแต่จรูด้ด้วยตนเองได้แนะนำทำสอนคนอื่นไดน้หรือถอนตัดที่ขัดข้อง ในกิเลสตัณหาให้ตกไปเป็นของยากุทธะทายนอกหรือพุทธะนอกจากตัวของเราพุทธะภายในหมายถึงใจตี่รู้พุทธะหมายถึงผู้รู้พุทธะหมายถึงผู้เบิกบานพุทธะหมายถึงผู้ตื่นจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าฝึกฝนอบรมธรรมะ ที่นี้พิจารณาอาจรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนจริงจังจะเกิดทุกขะภายในขึ้นคือใจที่เคยลุ่มหลงจะรู้จะฉลาสามารถทุกสิ่งทุกประการไปใจที่เคยหุกเหนียวเศร้าหมองจะเบิกบานทุกการทุกเวลาใจที่เคยหลับ ไม่มีวันตื่นด้วยอวิชาตัญหาจะต้องตื่นขึ้นเป็นพุทธะภายในเป็นพุทธะของใจตัวเองรู้เห็นเด่นดวงอยู่ทุกการทุกเวลาเบิกบานหันษาไม่เหี่ยวแห้งด้วยอำนาจที่ประพฤติปฏิบัติอัดรมจริงจังพุทธะนั้นจะพุทธขึ้น รู้ขึ้นเป็นขึ้นคือพุทธะส่วนตัวของพวกเราทุกคนพุทธะนี้มีใบจําอยู่ทุกคนแต่เชื่อว่าทํายังไม่ถึงเหตุถึงผลพุทธะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ประสบพบเห็นพุธธทธะภายในพุธธทธะภายในเป็นของสําคัญกว่าพุธธาทธะภายนอกพุธธทธะภายนอกคือพระพุท ธ, ธเจ้าวกว่าสำคัญเคารพเลืียมใสเราจะ รู้ดีชั่วผิดถูกต่างๆก็อาศัยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำทำสอนมาแต่เท่าว่ายังแต่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจากผู้รู้คือพุทธภายนอกพุทธบุคคลเช่นนั้นตนของตนหม่สนใจปฏิบัติให้เป็นใจให้เห็นแจ้งในตัวพุทธะนั้นก็ ช่วยเหลือตัวของเราให้ดีเด่นวิเศษประเสริฐไม่ได้ถ้าเห็นท่านจริยารรมารย า, ร า, าตของท่านงามหูงามตาท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรจำเอาไว้ไขจิตเชื่อมัน่นในการกระทําของท่านท่านนีสอนอะไรว่าชั่วควรละว่าต่างหน้าต่างตา เเพื่อปฏิบัติตามท่านผู้นั้นแหละจะเกิดเห็นพุทธะภายในสี่ใจของตัวเองผู้ที่เห็นพุทธะภายในแล้วก็ได้ชื่อว่าผู้เห็นพุทธะทั้งสองอย่างคือพระพุท ธ, ธเจ้าถึงท่านจะกรินิพพานไปแล้วกอตามโดยอำนาจการต่อเพื่อปฏิบัติอัดคำในตัวของเรา ผู้เห็นเด่นดวงว่าความสุขความสงบเป็นอย่างไรหมายถึงขัน้นปรมทุกคนที่เกิดมาจิตใจไม่เคยสงบสงบัดไม่เคยปฏิบัติอาจธรรมหรือปฏิบัติก็ยังไม่เห็นความสงบสงัดของใจไม่เห็นความปล่อยวางของใจไม่เห็นความเบาสบายของใจไม่เห็นความสุขในใจของตัวก็ได้ชื่อว่า เห็นพุธธทธะภายนอกนั้นยังไม่ค่อยอัดใจจันอะไรแต่เมื่อเห็นพุธธทธะภายในคือการปฏิบัติอัดทำตามคําแนะนําคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ด, ด้วยกายปฏิบัติ ด, ด้วยวาจาด้วยใจเพราะท่านสอนเข้ามาในกายในใจเท่านั้นคําสอนแปดหมืนสี่พันไม่ได้สอนออกไปข้างนอกสอนเข้ามาภายใน ถึงทุกคนมีกายมีใจจะต้องเห็นจะต้องเป็นจะต้องปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นเป็นขึ้นขั้นไปถมคือความสุขความสบายก็เชื่อมัน่นเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงความสุขของอัดของธรรมมีจริงเมื่อเชื่อมัน่นและเห็นเป็นในตัวอย่างนั้น ขอพยายามจะ่ทำบำทําเพ็ญเน้นหนักเข้าไปในการปฏิบัติจิตใจค่อยๆปล่อยวางละถอนสิ่งที่ติดข้องเรื่อยไปจนถึงพุท ธ, ธะอันแท้จริงคือรู้อยู่ทุกการทุกเวลาไม่ติดข้องกับกิเลสตันหาสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวแฝงพุท ธ, ธะไม่มี รู้อยู่ทุกระยะทุกการทุกเวลาตื่นอยู่ไม่มีการหลับเกิดความหลงไม่มีอะไรไปควบคุมหุ่มห่อพุทธะดวงนั้นเป็นพุทธะอยู่ทุกการทุกเวลาพุทธะอยู่ทุกอิริยาบทรู้เห็นเด่นอยู่อย่างนั้นนี่คือพุทธะภายใน คือพุทธะในใจของเราเองเมื่อเราเห็นความดีเด่นความหลุดลอยจากสมมติจากอวิชชาตันหาซึ่งเราไม่เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้มาก่อนการปฏิบัติถอดถอนพิเรตตันหาการละการบำเพ็ญแต่เราศึกษาเราปฏิบัติใหม่ก็มี การดีใจมีการเสียใจในเมื่อความเป็นไปทางอัดทางธรรมเสื่อมเสียใจในเมื่อมันเจริญล้วก็ดีใจความดีใจเสียใจเหล่านั้นมันเป็นขั้นสมมติต่อเมื่อจิตใจหลุดออกไปความดีใจเสียใจการละการบาเพ็ญไม่มีในความบริสุทธิ์อันนั้น พอเข้าใจมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถึงจะไม่เห็นถ้าองค์ด้วยตาตัวดีแต่ความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้จะให้มันเกิดกี่เหลือปัญหามานา ท, ทิิจะให้มันหลงมันลืมความเป็นความเห็นอันดีเด่นอันไปเสด็จอย่างนั้นไม่มีบริสุทธ พุทผองอยู่ทุกการทุกเวลาการละการบาเพ็ญเป็นฝ่ายมะส่วนความบริสุทธิ์หมดจดถึงเรียกว่านัตติสันติปลังสุขขังสุขไม่มีอะไรที่จะไปเยียเกี่ยวข้องสุขไม่มีสมมติอันใดที่จะไปถึงได้เมื่อจิตใจ ไปถึงขั้นนั้นจริงจังพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์เป็นอย่างไรเราไม่มีการสงสัยเพราะความเห็นความเปลี่ยนส่วนนี้จะประพฤติปฏิบัติไปอีกกี่ปีจะให้มันดีขึ้นอีกมีไหมความอยากของใจหมดสิ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะอยากอีกยิ่งาหมดความอยากหมดความหลง หมดความดิ้นรนหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียวกว่าเป็นสมมุติสมุติเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจอยู่ในความเป็นความเห็นของเราเลยไม่มีอะไรสงสัยนี่เป็นพุธธาทธะภายในพุธธาทธะภายในควต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ปรเพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเทวดาอารักษ์อินพรมยมยักษ์ที่ไหนจะมาปฏิบัติให้นี่พวกเราโชคดีที่ได้เกิด มาเป็นมนุษย์และมีชีวิตเป็นอยู่ได้สะดับรับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอบรมตัวของเราให้เกิดพุท ธ, ธะคือรู้เห็นเด่นขึ้นตามกำลังความสามารถของเราอย่าไปนอนหลับทับปิดว่าเราเป็นคนที่บุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จ ะ, พะเพื่อปฏิบัติได้อันนั้นเป็นเรื่องตัวของเรา ตัดชินตัวของเราเองให้คะแนนตัวของเราเองเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติมันจะเหลือมิสัยไปที่ไหนเหื่หอจิเลตันหาไม่มีกําลังเท่ากับศีลสมาธิปัญญาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติจริงจังจิเลตันหาที่เคยกี่หลังนั่งคอเรามาจะหลุดลอยออกไปตกออกไป การปฏิบัติจึงต้งควรอย่างยิ่งอย่าไปเห็นว่าเป็นของยากของลำบากการเกิดการตายการเวียนว่ายในวัฏสงสารเป็นของยากของลำบากในราบว่าการใดสมัยใดจึงจะได้ออกไปจากความเกิดความตายเหล่านี้ถ้าหาก ป, ปฏิบัติจริงจังถึงยากถึงลำบากก็มีวันมีเวลาที่จะง่ายจะสบายจะสะดวก พาไปเห็นใบยากแล้วไปลงมือประพฤติปฏิบัติก็มันมีวันมีเวลาที่จะข้ามยากไปได้ทุกมันมีอยู่ทุกผนทุกแห่ไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์มันก็มีเราก็รู้ดีว่าตัวของเรามีทุกควรกําหนดให้รู้ให้เห็นเมื่อเวลาบำเพ็ญคุณงามความดีทําความผ่าวความเพียรทุกย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าชาติขันของใคร จะต้องมีทุกประจําอยู่ทางนั้นพอความเพี้ยนเข้าไปนั่งนานๆก็เกิดาวามเจ็บปวดร่วนร้าวต่างๆปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวมันมีแต่ถ้าไปกลัวทุกเพียงแค่นี้พอเจ็บปวดขึ้นหน่อยก็หลบหนีเมื่อใดเล่าจะสนะทุกได้จะข้นทุกได้ทุกนี่แหละ เราถือว่าเป็นภยัยแต่ถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติให้ข้ามผลทุกข์ทุกข์นี่แหละเป็นบันไดที่เราจะก้าวขึ้นไปให้ถึงที่อยู่ที่อาศัยให้ถือว่าทุกข์นี้มันมีอยู่แต่เราจะผ่านทุกไปด้วยความตั้งใจผาดเพียนพยายามทีนี้พิ่เจณา หาทางแก้มันทุกมันอยู่ในใจหรือมันอยู่ในกายโดยส่วนใหญ่ปกติคนธรรมดาไม่ได้พิจารณาหรือว่าทุกมันอยู่ในกายเพราะไม่ได้เคยศึกษาไม่ได้เคยพิจารณาจิตไม่เคยปล่อยวางเรื่องทุกมาเห็นทุกตามเป็นจริงทุกของกายนั้นก็มีจริงแต่ไม่เป็นใครสาหรับใจ ถ้าหากเราเพื่อปฏิบัติได้ทุกมันมีเวลาสงบลังงับมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้พิจารณาให้แยกกายกายที่ว่ามันเป็นทุกตอนที่เรายังไม่นั่งภาวานาะยังไม่ได้กำหนดอาจทำอะไรทุกส่วนนี้มันไปอยู่ที่ไหนเรานั่งก่านึกว่าท่า น, นี้แหละเป็นท่าสะดวกท่า น, นี้แหละเป็นท่าสบายของเราแต่วพานั่งนานๆไป ทุกมันมาจากที่ไหนมันไหลเข้ามาทางไหนเกิดจากอะไรได้อะไรนี้ขึ้นอีกขาว่าข้าข้องเก่าแขนว่าแขนข้องเก่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกข้องเก่านี่เป็นทางพิจรารณาแก้ไขจิตใจที่ไปขัดข้องหลงลืมต่างๆเมื่อพิจรนารณาไปว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูก เขาไม่ทราบอะไรเขาไม่บอกว่าเขาเป็นทุกข์ปวดเอาเยอ เ, เกินเจ็บเอาเยอเกินมันจะแตกจะหักเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่าใจตีไปติีไปคล่องไปคิดไปปรุงว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างหาที่เกิดทุกข์ขึ้นนีแต่เรื่องของกายมีแต่เรื่องของธาตุจริงจังมันไม่สแสดงกิริยาถ่าทีอะไรจะไปเผาไฟฟังดินเขาไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่เจริญให้แยบคลายลงไป เมือ่อพิจารณาแยบคายลงไปใจจะสงบพอใจสงบเท่านั้นแหละทุกข์ซึ่งเดือดร้อนเจ็บปวดจนจะแตกจะหักจะดับไปอย่างสนิทไม่มีอะไรที่จะเจ็บจะปวดจะยึดจะถือพอใจสงบหายไปหมดเรื่องทุกข์ขอให้ใจสงบเถอะแต่ถ้าไปกลัวทุกข์พอเจ็บปวดปวดร้าวขึ้นมานิดนิดหน่นอยหนอย่อ กดถอยเที้ยวก็ไม่เห็นไม่เป็นไหนิวที่หลังกับทุกข้องเก่านั้นแหละจะมาห้ามกัน้นจิตใจไม่ให้ผ่านไปผลที่สุดภาวนาขอไปภาวนาเอาทุกไม่ใช่เอาสุขเอาของดีพิเศษอะไรได้เกิดยอดท่อกลัวแต่ทุกอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่ผ่านทุกไปทํากันจริงจรงแจงแ ง, งมันมีขนาดไหนอะไรมันทุก อะไรมันตายอะไรมันยังเหลืออยู่เราจะสู้จนสุดขีดสุดขัน้นเมื่อได้ทุกข์ยังมีในกายในใจเราจะสู้อยู่อย่างนั้นจนเกิดความอัศจรรย์หมดทุกข์หรือไม่อย่างนั้นถ้าหากไม่ชนะข อ, ขอให้ตายในการสู้ทุทกข์เถิดตั้งมั่นลงไปอย่างภาวานาจะเห็นผล แย่งมาจากในตนพอเราสู้จริงๆอย่างจังแล้วก็จะมีอุบายปัญญาในเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกพอเราสู้ด้วยวิธีนั้นทําอย่างนั้นทุกข์จึงดับไปนี่ที่ทุกข์เกิดขึ้นก็ได้เชื่อข้าสึกมีมาแล้วเราจะต่อสู้อีกถ้าเราไม่สู้ไซสนะก็จะไม่มีขึ้นเราต้องสู้เอาไยสนะ ถ้าตายกาให้ตายในสงครามอย่าให้ไปตายที่อื่นจึงได้ชื่อว่านักรบนักสู้ไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นอัตรัมพระพุทธเจ้างเคยสู้มาแบบนี้สู้ทิดามานถู้พญามานท่านสู้อย่างไรนางเรณีมาช่วยเหลือพระองค์อะไรเป็นธารณีจิตใจของท่านหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ไม่มีการหวั่นไหวใครจะตัณฑิติชมอย่างไรจะขุดจะบเขาแผน่นดินไม่มีบนไม่มีกลัวทางนั้นเนี่ยเท่านั้นมีจิตใจให้ตั้งมั่นแบบนั้นให้นักแน่นแบบนั้นทุกมันจะดับไปหมดไปไม่มีการหวัน่นไหวนี่ถ้าจิตลงรวมแล้วทุกหมดไปหายไปอย่างไม่เคยเห็นเคยเป็นจะเชื่อมั่นในการ จะทำบำเพ็ญอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องจิตใจลงรวมจะต้องปล่อยวางเรื่องทุกข์ต่างๆหรือเรื่องความยึดถือต่างๆถ้าจิตไม่ปล่อยวางหรือลงรวมอย่างนั้นแต่อำนาจปัญญาที่าจรณาทั่วถึงถึงทุกข์จะมีอยู่ก็ไม่ใช่จิตเพียงแต่สักวาทุกข์ไม่ได้เขา้ามาพัเข้ากับจิต เป็นคนละอันละอย่างสนุกที่นิพิจารณนาะทุกเป็นทุกจิตเป็นจิตมั้นก็ไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวต่อกันไม่มีอะไรเป็นภัยอันตรายต่อกันนี่คือความรู้เท่าเรื่องของทุงทกจิตไม่ไปเกี่ยวข้องมันมีหลายอย่างเรื่องการกระ ท, ทําบําเพ็ินแต่สิ่งที่อธิบายมาไม่ใช่มีอยู่ ที่อื่นในอยู่ในยินฟ้าอากาศอยู่กับกายกับใจของเราทางนั้นท่านผู้รู้เห็นเป็นจริง้วยการกระทำจริงอย่างนี้สามารถอาจหานในเมื่อทุกเกิดขึ้นต่อสู้จริงจังและเห็นผลจริงจังเมื่อคนอื่นหรือจิตญาณุสิทมาศึกษาภาวนามันทุกอย่างนั้นอย่างนี้ จะควปรปฏิบัติไปอย่างไรถ้าหากท่านเคยกระทามบาเทนเห็นรู้จริงจังท่านก็มีอุบายแนะนำคำสอนให้ถ้าหากเราเองเป็นผู้ปฏิบัติไปไม่รอดไปไม่ถึงไปไม่ได้ติดข้องในทุกเขามาศึกษาเข้าภาวนาไปเพียงถึงแค่ทุกเราก็ไม่มีอุบายอะไรสิจะไปบอกไปสอนเขาเพราะเราก็ยังข้ามทุกไปไม่ได้แต่นั้นจงตั้งใจพิจารณาจริงจัง ต่อสู้เอาใช้ชนะจากการภาวนาอะไรมันตายมันตายไปอะไรมันเหลืออยู่อันนั้นแหละจึงจะเป็นสมบัตของเราให้มันเห็นจากการกระทำบำเพ็ญของตนอย่าไปเชื่อคนอื่นถ้าเห็นถ้าเป็นในตัวแล้วจะเชื่อมัน่นในตัวเองก่อนจะล้มตายหายตัวไปอย่างไรโรคใัรเกิดขึ้น เราจะไปหลบหลีกที่ไหนมันจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกนอกทุกในรู้จักทุกของใจแลือทุกของกายรู้จักนี่ไม่รู้อะไรว่าเป็นทุกใจอะไรเป็นทุกทกายเพราะเราไมาเ่เคยประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมให้รู้เห็นเด่นดวงขึ้นก็เลยหลงอยู่อย่างนั้นการปฏิบัติใจเจ้าลํบาบากเพราะ ใจไม่กล้ า, าหารสู่กันจริงจังมีโชคลาภของพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาแล้วมีชีวิตเป็นอยู่ก็มีมาแล้วอัดทำคำสั่งสอนครูอาจารย์เยอะตำหลับตำราก็เคยอ่านเคยฟังกันมาพุทธะก็เห็นแต่พุทธะภายนอกถ้พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายนอกแต่พระธรรมจริงจังพระสงฆ์งจริงจังผู้ประพฤติปฏิบัต เป็นสุปฏิปันโนอุสุญาจะสามีจิตเป็นอย่างไรในกายในใจของเรามีไหมพุท ธ, ธะความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องความรู้ที่บริสุทธิ์ความรู้ที่เป็นวิมุตตหลุดจากโลกเป็นอย่างไรก็เลยไม่ประสบพบเหตุถ้าหากเห็นหากเป็นหารู้ภายในตัวแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยตำหลับตำลาก็เป็นของจริงไปเห็นอะไรจริงทางนั้นเพราะจิต ของตัวจริงถ้าจิตไม่จริงเห็นอะไรก็บฟอมไปหมดดังนั้นจึงฝึกจิตของเราให้จริงอย่าไปคิดว่ามันยากมันลำบากยากนั่นแหละให้ทำถ้ามันง่ายก็ไม่มาเรียนบ่ายตายเกิดอีอย่างนี้ถ้าจิตไม่กล้าหานก็จะเรียนบ่ายตายเกิดไปอีกก้าหานจริงจังอะไรตายอะไรยังให้ทราบในการตรอพืชปฏิบัติของตนคนนั่นแหละ จะเห็นผลประจักษ์ในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นอย่างไรจิตใจบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมีความสุขแค่ไหนพอเราเห็นโดยตาของเราได้ยินโดยหูของเราจะไปถามใครอีกการประพฤติปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นขึ้นในใจของทรรมนองเดียวกันใครเห็นโดยตนเองแล้วไม่มีการต้องใส จึงคว ร, รต่อเพื่อปฏิบัติพอกายมีใจมีเรามีทุนอยู่แล้วไม่ใช่เราไม่มีทุนอะไรลงมือปฏิบัติจริงจังจะเห็นจะรู้การปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความเพียรไม่ใช่ <c oughs> ปฏิบัติเล่นต้องมีสติตามรักษาจิตใจอยู่ทุก ระยะทุกเวลาสังวรประทานคือการระวังความชั่วต่างๆตาเห็นหูได้ยินหรือจิตใจนึกคิดถ้าหากเป็นความชั่วให้ระวังให้สังวรให้ห้ามกัน้นอย่าให้ไหลเข้ามาสู่ใจทังตัวความชั่วความเสีย หากไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่ทราบว่ามันชั่วมันเสียอย่างไรถ้า ม, มีสติมีปัญญาความชั่วความเสียเราจะรู้จะเข้าใจอะไรเป็นเรื่องชั่วเรื่องเสียใจมันเดือดร้อนใจมันไม่สบายเมือม่อปวดเมื่อทำเมื่อคิดขึ้นทางธรรมเรียกว่าอากุศลอย่ตก เก่คิดไปด้วยใจกว่าเป็นทางชั่วทางโง่ทางเสียจึงสั่งวรระวังไว้ไม่เห่ใจไม่เห่กายไม่เห่วาจาทําผูดคิดเรื่องความชั่วนี่สังวรรับประทานคือมีความเพียรมีสติระวังรักษาอยู่ทุกระยะทุกเวลาประหารประทานความชั่วที่มีอยู่ในกายของตัวในวาจาในใจทของตัว